พี่น้องครับนี่คือเอกจากที่วครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่450เรื่องผลและของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าการที่เราจะสังเกตว่าใครบังเกิดใหม่หรือใครยังไม่ได้บังเกิดใหม่ใครเป็นของจริงใครเป็นของปลอมนั้นต้องดูที่ผลของพระวิญญาณครับอย่าไปดูที่ของประทาน เพราะของประธานนั้นอาจจะหื๋วหวาหรืออาจจะทําให้ตัวเองนั้นอยู่สูงกว่าคนอื่นอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดครับแต่การเติบโตการที่เราจะมีผลของพยยิญญาบริสุทธ์ต่างหาครับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าพยายิญญานนั้นได้ทําให้เราอยู่ในพระองค์แล้วและพระองค์ก็อยู่ในเราแล้วนั่นคือหลักฐานครับใครก็ตามที่อ้างว่าตัวเองเกิดใหม่แล้ว ต้องดูที่ผลของพอ่อวิญญาณบริสุทธิ์ครับในวันนี้ครับเราจะมาดูความจริงประการที่ถัดจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเวลาที่พ่อวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเรานําการเปลี่ยนแปลงและบังเกิดเป็นผลของพ่อวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องอาศัยฤทธิเดชครับต้องอาศัยฤทธิเดชของพอ่อวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิเดชเท่านั้นจึงจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครับ จึงจะนํามาซึ่งการบังเกิดใหม่จึงจะนํามาซึ่งการเกิดผลโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดผลในพระวิญญาณบริสุทธิ์และความจริงประการที่สองในวันนี้ที่เราต้องสังเกตและพิจารณาก็คือคุณลักษณะต่างๆซึ่งเป็นผลของพระวิญญาบริสุทธิ์นั้นจริงอยู่ครับบางครั้งนั้นต้องเร่งรัดให้เกิดการเติบโตการเร่งรัดให้เกิดการเติบโตนั้นเราใช้คําว่า เราเปลี่ยมล้นด้วยภาพิญญาณพอยสุดพี่น้องลองคิดถึงนะครับว่าเวลาที่เราเร่งปุ๋ยให้กับต้นไม้ครับหรือเราวางต้นไม้ไว้ในเรือนกระจกนะครับก็หมายความว่าเรากำลังเร่งเราให้ต้นไม้นั้นเติบโตนะครับการเร่งรัดให้จิตญาณของเราเติบโตนะครับโดยการแต่งสภาพต่าง ที่จะเติบโตตามธรรมชาตินะครับทำให้การเติบโตนั้นเป็นไปได้พี่น้องครับพอฟังแล้วพี่น้องอาจจะงงงงนิดหน่อยทำไมการเติบโตมันจะต้องแต่งสิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเติบโตพี่้องครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปครับอาจารย์ผมท่านหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่อยากทำบา ก็อย่าไปที่ที่มีบาปถ้าไม่อยากให้นกนั้นขี้ลดหัวก็อย่าไปยืนใกล้เสาไฟฟ้าหรือใต้สายเสาไฟฟ้าใต้สายไ ฟ, ฟพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เตือนสติผมมาตลอดเราไม่ควรไปที่ที่ที่ไม่ควรไปคุณลักษณะของคริสเตียนฝ่ายวิญญาณ ก็คือว่าเขาจะต้องเก็บรักษาเนื้อรักษาตัวเก็บเนื้อเก็บตัวให้ดีเพื่อการเติบโตเพื่อให้ผลของพุ่มห ญ, ญ้าบริสุทธ์นั้นได้เกิดดอกออกผลอย่างชัดเจนมากมายและชีวิตของเขานั้นก็จะดำเนินชีวิตที่ใสสะอาดเบาสบายบริสุทธิ์ผุดพองนะครับซึ่งเป็น ส่วนของการที่จะนําไปสู่การบังเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับบทเรียนจากการปลูกพืชนี่เองเราสามารถนํามาใช้กับการเจริญเติบโตของชิลิคัสเตียนครับเราจะต้องเอื้ออํานวยให้เกิดสภาพบางอย่างที่จะช่วยให้มีการเจริญเติบโตในสถานที่ที่จะช่วยให้มีการเจริญเติบโตนั้นก็คือกลุ่มสามกิจธรรมครับ การเติบโตข อ, ของคริสตียนนั้นจะต้องเติบโตในสามคิธรรมที่เขาเองมีกับพระเจ้าในขณะเดียวกันครับเขาต้องมีกับมนุษย์ท่านอันครุดเบาโลก็นำเรื่องของบทเรียนการปลูกพืชมากล่าวไว้ในกาลาเทียด้วยเหมือนกันครับในบทที่หกพี่น้องพลิกไปดูในบทที่หกว็จะเห็นหลักของการหวานและการเกี่ยวนะครับโปรดฟังโฆษณาของพระเจ้า กรลาเทียบที่หกข้อเจ็ดถึงข้อแปดอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหวานอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นผู้ที่หวานในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปืยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หวานในย่านพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันตจากพระวิญญาณ น, นั้นหลักการเบื้องต้นของการเติบโตในพระวิญญาณก็คือหลักการ ที่พูดภาษาชาวบ้านนะครับว่าหวานอะไรก็จะได้อย่างนั้นนะครับพูดเหมือนกับภาษาของคนไทยว่าคุณทําอะไรนะครับคุณก็ได้อย่างนั้นคุณทําดีคุณก็ได้ดีคืนมานะครับคุณทําความชั่วทําความร้ายคุณก็ได้ความร้ายความชั่วกับคืนมาจะทอนเข้าหาตัวอันนี้คือหลักของการหว่านและการเกี่ยวกับ องค์พผู้เป็นเจ้าของเรานั้นทรงใช้หลักการนี้นะครับในทุกสิ่งนั่นหมายความว่าพระองค์กำหนดให้กลายเป็นหลักเกณฑ์ตามธรรมชาตินะครับและหลักเกณฑ์นี้หรือหลักการนี้ไม่มีข้อยืดหยุ่นประเนีประนอมเป็นกฎครับเป็นกฎนั่นหมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเป็นกฎแห่งความเสมอต้นเสมอปลายของพระเจ้าทั้งในภาคศีรษะภาคกายภาพ และภาคคุณธรรมจริยธรรมต้องฟังให้ดีนะครับกฎของการหวาดและการเกี่ยวถือว่าเป็นหลักการตามธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติซึ่งแสดงถึงความเสมอ elin, ต้นเสมอปลายของพระเจ้าครับพระเจ้าเสมอต้นเสมอปลายในหลักการของพระองค์ที่กฎที่พระองค์ตั้งขึ้นมาในภาคคุณธรรมจริยธรรมในภาคศรีระในภาคกายกายภาพ ในธรรมชาติเราก็จะเห็นครับกฎนี้และนิสัยใจคอทางฝ่ายวิญญาณของมนุษย์ก็จะเห็นกฎนี้เช่นเดียวกันครับเราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหวานเสมอครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เลยนะครับหวานสิ่งใดก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจงระวังให้ดีบางผี่บอกนะครับคุณจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ผมหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ไม่มีใครหลอกลวงพระเจ้าได้ครับหวานอะไรก็จะเกี่ยวสิ่ง ไขวานเนื้อหนังครับก็จะเกี่ยวความเปือยเน่าไขวานในญาติเทวิญญาณก็จะเกี่ยวชีวิตีรันพี่น้องครับในญาติเนื้อหนังระหวานอะไรไปแน่นอนครับสะท้อนกลับมาชัดเจนครับและในแง่ของพระเจ้าในแง่ของชีวิตีรันในแง่ของพระวิญญาณระหวานอะไรเราก็จะได้แบบนั้นพี่น้องครับชาวนาวานเข้าเจ้าเข้าศาล นะครับข้าวสารจะได้เข้าเจ้าใช่ไหมครับหวานข้าวเหนียวจะได้ข้าโอ๊ตหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับหวานข้าวโอ๊ตก็ได้ข้าโอ๊ตหากหวานข้าวโอ๊ตแล้วได้เข้าสาลีหรือได้เข้าวบาเลคงจะผิดนะครับคงจะวิะจิตไปแล้วที่น้องครับหลักการนี้ใช่กับความประพฤติของมนุษย์ครับเราจะให้พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์เกิดผลดีมากมายในชีวิตของเราต้องหวานเมล็ดที่ดีครับ เหมือนดังสูภาศิตเก่าแก่บทหนึ่งครับบอกอย่างนี้พี่น้องฟังนะครับวานความคิดก็จะเกี่ยวเก็บการกระทำวานการกระทำก็จะเกี่ยวเก็บนิสัยวานนิสัยก็จะเกี่ยวเก็บอุปนิสัยที่ลึกซึ้งมากขึ้นวานอุปนิสัยที่ลึกซึ้งมากขึ้น ก็จะเกี่ยวเก็บผลของความเปลี่ยนไปเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นกฎครับเราเปลี่ยนแปลงกฎไม่ได้เราต้องเล่นตามกฎจะหลอกพระเจ้าไม่ได้ครับเราไม่สามารถดูหมิ่นกฎที่พระเจ้าตั้งไว้แต่คริสเตียนนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะแปลกใจที่ว่าทำไมเราไม่เคยได้เก็บเกี่ยวผลของพระวิญญาณไปเลยครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาใช้เวลาทรัพยากรกวานในย่านของเงื้อนังแล้ะพราะเขาคิดว่าจะตบตาพระเจ้าหรือหลอกล่อพระเจ้าได้หรือจะโน้มน้าวกฎของพระเจ้าเข้ามาหาความสะดวกของตัวเองได้เน้องครับอย่าทํางั้นเลยครับเพราะมันจะเสียเวลาชีวิตของเราเราควรที่ต้องตรวจสอบตัวเองขอพระเจ้าช่วยเราในการตรวจสอบตัวเองในเช้าวันนี้ครับว่าเราหวานอะไรกันแน่ นะครับใครที่หวานเนื้อหนังก็จะเกี่ยวเก็บเนื้อหนังใครที่หวานในพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวินิรันทร์ในที่สุดขอบเจ้าช่วยพวกเราทุกคนให้ได้หวานในฝ่ายพระวิญญาณมากยิ่งยิงขึ้นไปอามี